ในงานบำเพ็ญกุศลรบรอบวันมรณภาพอุทิศถวายแด่ท่านพ่อรีพระสุทธิทรรังสีคำเพีระเมธาจารย์เมื่อวันที่25เมษายนพศ2 5 1 7ณวัดอโศกรามจังหวัดสมุทรปราการโดยท่านพระอาจารย์หาบัวยานะสมปนโน ทางนี้เจอโรงแรม ว um ัดน <defender parachute. S 1> ี้คือจะแสดงธําอันเป็นภาษาของเราให้ทุกท่านได้เข้าทีจะแสดงได้มเมื่อวาอนี้งานของพระจุลจักรี เป็นมาคือเป็นงานแค่เรื่องความตายซึ่งมีกับเราคุณพิชิตธรรมแต่ถ้าคุณสนใจว่าท่านเป็นอย่างไรเราเป็นอย่าไงไรเพราะคาดขงัขงดูความเกิดตายาเช่นเดียวกันถ้ามาคุณถึงท่านนี้เป็นประโยชน์อะไร แดสดงทิควางการอยู่ตะเวสีแต่ทาที่สำคัญยื่นก็คือแอดิศิกาเป็นของท่านเดีย๋ยวทั้งหลายได้ทราบทันว่าท่นวนะ่านับภาพไปแล้วได้สามนีการเรียนไปเรียนมาแห่งความตายของสักโลกนั้นไม่มีที่สิ้นสุดวิติก้าความเกิดจะไปเชื่อ ให้ฟังตายเป็นทางดําเนินได้อกจากไรฟังายนจะไม่มีสื่อสุขเนื้อไปเป็นกำหนัน้ำแตตัดตัวจะเล็กลมาจนทั่งถึงตัวใหญ่ไม่ว่าเียมนุษย์ของเราเท่านั้นฟางกายนพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหายานือเป็นธรรมเกิดเฉื่อโลกไม่มีความตัวเป็นตัวต่างโดยแม้ที่ขาพัง เช่นกับพวกเาราทั้งหลายซึ่มีความละสองอยางเจรินแต่ความทายนั้นไม่กรับสนานี่เป็นการขัขดแย้งต่อในผลกุณปิธรรมดาทีทำท่านต่อวยได้เป็นการตีเกี่ยวกัดทางข้างหนด่งได้ตีเกียวกัดทางก็คือว่าตีเกียวขับหลักใดผลจึงทวามสงท์ความทุกข์ความเดือดร้อนเขาพาัว ทัญหาไปดูภายในไม่ได้นะพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ทราบเพื่อทำใจเพื่อเป็นการามสอสนจิตใจของเร า, าให้นอนในจะคนเราที่ไม่เคยคิดถึงความตายเลยนะั้นคว า, ารมรู้กม็มาควาโตก็มาความหลงก็มาว่าคนจะร่ำจะรวยจะมีะอำนาจขาบสนาเรื่อ ย, ยไปจนกระทั่งลม ห, หายใจไปตอน น, นี้นีคือคนก็มา ปรามาทนั่นเองไม่เช่ประมาทผู้ใดเพราะคนเป็นผู้ราบสิท้าเพราะคนทั้งต่วันเกิดมาเมื่อพอสามารถจตงจะรารัความสิทธิ์ข้าเงไปแลยทำคุณสอนและต่อมาทจึงจาเรื่องความตายมาราชิตเป็นต้นตัวเป็นหนุนัปัญญาเพื่อหาทางด้วยยิดคุณธรรมคู่คารคำเป็นคุงามวีโดยขามอมทำหน้าลยาได้ยิน ความโลภก็ร้ายลงเพราทายเป็นเครื่องปีศาทางเลยและเป็นเครื่องขาดจริงทางขาดนาของเราที่เจอจะมีแต่จะมีความขีศาจานานใจอยู่ทีขัดขางขงหรือตลอดทางเอาแต่ไม่มีเวลาพอรู้ถึงความทายก็มาตั้นักกอดเป็นเดียวกับเราที่ยังร่วงไว้ข้างหลังเด็ก เพราะเราทราบแล้วว่าแดดอี้กล้าแดดนี้ร้อนต้เตรียมรูปของไม่ไม่สมัครในเวลาเดินทางอาต้องเที่ยวในวัดตาสงตาแต่ละข้างับคนในสัตว์ทักธรนี้เป็นผู้ต้องเดินอยู่เสมอเดินมากยดขับสิดใจและจนกระทั่งถึงหมานี้มีชาตนี้เป็นปัจจุบันติชา และยังจะเติมต่อต่อไปอีกจนไม่มีสุนม้าปลายขาถ้าเราไม่ได้หักห้ามปกครอแห่งวัฏจักรด่วยกุมนาความทั้งหลายงจะตั้งแต่บัดนี้ที่มีที่ิดอยูพระพวทธเจ้ามันคือต่อม่้สมารทำพระธรรมตสอแต่หมู่คือพันธะธรรมะหลัยจนเรื่องปลูกสิษย์ชายของขับโลกทหลายที่นอนแทนต่อประเดิมเติมือว่องหันม่ไจ้ต่อ อันใดที look, ่เคยฝากสอนุเพราะมนุยรู้ทุกอย่างรู้มาตรู้วุ่นรู้ทุกทุกเรื่องรู้ทกๆทางรู้มีทุวอะไรรู้ทั้งหมดธรรมะคือสมควรแต่หัวใจมนุษย์เราถ้าเราเป็นมนุษย์ไม่สามารถที่จะทําิ่งทำไม่สมควแต่เราถ้าเราไม่สมควรแต่ทำเราเราจะสมควรแต่อะไรนอกจากสมควรแต่ทำทรมานที่จะเป็นไป ซึ่งเราไะปราณานเลยเ็านะไม่มีสิ่งหนึ่งที่จะเป็นหอยเป็นเครื่องรับรองเราในอำนาจตุทธการธรรมนการรับรองในผลี่าเช่นนี้นั้นไม่ใช่รับรองพระสุรุณาความมีเป็นสุขิตอันเป็นที่หมายของโลกแต่จะรับรองว่าจะหาทางสุดทางบาลให้ได้เาา พ, าพียวทางบ้าบุกเทา แม้จะตัดจำต้าเราเป็นมนุษย์ทั้งคนทำไมเป็นจำต้ามเริ่มงทุกข์เป็นอย่างไรยังเจ็บหัวตัวร้อนเท่านั้นก็อเป็นความมตสายใจล้วถ้าทั้าจิตใจไม่ได้ปวดหัวปวดกล้ามัน้จากทนาหาูใจยังมีความกระตบกัระเดือนร้อนเดือดอันตาที่เกิดขึ้นนำส่วนหน้าตาได้ต่อเรื่องวัฏฏะวนิชชาทุกข์ที่หมนอยู่ภายในจิตใจของ ทั้งหลายเป็นปู่และปัจจุบับตัวที่เร่มเวลาเป็นทำไมพวกเราทั้งหลายเป็นทำไมไที่เจริญนาและท่านจะเกิดขีดใจมีความทายเป็นต้นดาวสื่เป็นสัตรูพยานอยู่เราทั้งหลายมาโรงทำมาตายเมื่อ เ, เป็นเลือกสุขัสุขธรรมแท้ว่าท่านไปแล้วในวันนี้และ ผู้ใดไม่ผู้ใดก็ต้องผ้น่งจะต e, 네้องสืบตามภายในวนหน้าและหนา้าคือหน้าหรือน้าคืนมอะไรก็แล้วแต่การหมดลงใช้แต่พาหมเร่องจับหรืออย่างความตายของสามโลกมีมาโลกเป็นท่ากันไม่ได้ตื่นกับวางจับเรือกับคืนหน้าคืโมงไม่ได้ตื่นอกับความหน้ามีจงรไม่ได้ตื่นกับความพุ่งความล ไม่ได้ขึ้นอยู่กับทลังโลกความลาดแต่ขึ้นู่กับลมหายใจที่หมดชิ้นลงไปเมื่อใดไร่นั้นวลาและแรงเวลาคือเราครับโลกทัหลายกตาครับว่ามาเมื่อค้อทายก็กระเดถึงกับเราเราก็กลัวท้องายแต่ไม่ยอมหาไตัวกดนทาองท่าย่ึงกับเรก็รู้สิริแา กัะพ erm ุ้นปัจจุบันคนตีตัวจากกองที่ใดทางไหนหรือว่าจัจอันนี้ให้น้อยโดยลำดักลำหนักีื่นก็เพื่อจะทัทางทุกทั้งหลายออกจากตัวของเราทานก็ดูภาวนาก็ดูนกระทั่งถึงปัญญาแล้ววาสุดท้ายที่จะแจกมวัฏฐาให้ขาดะเด็นออกจากด เป็นเครื่องมือที่จะขัดความคิดทั้งหลายพอจากตัวเราเข้ามถ้ารามองมาดูก็คือว่าเราจะขาดประโยชน์ที่จะคุ้นได้จนถึงที่ต้นสนาสนาม้เท้าทําไปคือนไปโดยลำหนักลำหนักวันนี้ท่านตัวกุศลธรรมมาเร า, า, าก็ทราบหากกุศลธรรมมาเราก็ทาธรญาต คำว่าพุชนาธรรมามายคือการชำระในวิธีการที่จะประพฤติตนทั้งหลายรอบไปไหนทั้งส่วนตนและส่วนดวงทั้งหลายการชลาดในหลักธรรนี้คือทําป็นผู้มีความแทบันในการทําประโยชน์ให้ตนได้รับความสุขและผู้อื่นได้รับความร่มเย็นด้วยเรียกว่าปุชราอรรมา นกนามามหมายถึงโมแล้จะมีความท้าทเรื่องโลกทางไหยตามโลกนี้ลงป่าแต่นาความ้าทประเทศนั้นมาประกอบกับธรรมโมที่มีอยู่าในใจของคนละบาออกไปทางกาต่อกามวาจาต่กามทิ่งไปทางใจต่อกามให้โลกนี้ตนเองได้รับความเดือดร้อนนักธรรมอยากบรรลุสุขละธรรมาปัญญาตระการธารมะหมายถึงธรรมกายไม่ยอมว่าเป็นดี ทางทั้งสามประเทศนี้สอนให้พวกเราทำงายได้ชาหรือจะป็นตพปฏิบัติพ่อเราสามารถจัจิตเป็นหน้าทางทั้งสามประเทนี้ดุจลาทมาไม่ใช่ทางแค่เดียวสลับคนเราเปิดขึ้นมาทุกๆคนย่อมมีความโง่ด้วยกัพราในราคากลงทึกษาิจะให้มีวามแ่เดยวสลมาทั้งเสร็จนแต่ออกนะสูงมันได้ไมหรือจะเป วานาความฉลาดมาน้าดึงก็ตามแต่จะต้องอาศัยทางลงเลื่อนเลื่อนจนลงใส่ยที่เปิดทางให้ได้แต่หน้าอยู่พาวจชเดิะฉลาดยิ่งยิ่งต้องมีอาจารย์จนต้องสอนต้องหมั่นต่อพ่อทมาต้นต้องมีพ่อมีแม่มีพี่เลี้ยงเป็นผู้อบรมถงขอทุกสิ่งทุกยางให้รู้การานและไหวของคนเป็นธรรมะ จากนั้นกระ่ดดข้ามลำธารให้มีความรู้ทางขนาดโตขึ้นมาพราจักข้นจากทาก็อบลมแนะนําสังกัห้รจักทางหน้าถิหน้าธรรมซึ่งเป็นกระดกแก่ตนโดยเฉพาะและแก่โลกแต่องครามตรองตืนึงรวมด้วยเราพยายาพิจารณาใหู้่ความขนาดก็ตลาขึ้นมาภายในตัวของเราเองที่เรียกว่ากุศลธรรมะอัศยานก็อัศยุทธธรรมะ อาจจะทำให้โม่มันมีใครจะโง่ดีกว่ามนุษย์ทำโม่หรือทำฟังเดือดร้อนให้เกิดกุฏิโตเซงก็มากทความเดือดร้อนให้เป็นอื่นก็มากทำสลากทําังร่ำเดินให้เกิดคนได้มากและทำาำสลากให้เกิดคนอื่นทำาังร่ำเดินให้เกิดคนอื่นได้มากเช่นเดียวกันเป่งพระพุทธเท จ, จ้าสอนความมีปู่สำเร็จขางเราเราเหียบ ไม่ควรสงสัยว่าทางทั้งสามเัวนี้จะมีนอกแล้วไปจากตัวของเราแต่มือพิพากษทำสั่งพระองค์ท่านรง้ากระจักไมคัาไทแล้วยกตอกมาเป็นบทเป็นมากนิแลงสังวรมนาสับโลกที่มีท่านอยู่ต่างๆกันคึ่ความสามารถต่างๆกันเป็นลำดับ นับแต่ทมท่านตมจนกระทั่งสูงสุดคือวินทัณฑมต่อในใจที่เป็นผู้ทาเป็นผู้รับเป็นผู้ปุประติปฏิบัติเต็มทู่จะตุองรู้ต้อเห็นในทางท้าทผลทางท่านต่มและผลทางทันสูงสุดคือพิาไม่นอกนืไปจากระหว่างสังขปีที่เหลืมีอยู่ภายในในส้นัมเฉพาะยามที่ท่างที่เป็นนักปฏิบัติ ต่อทําถึงเรื่อทางโลกทางน้ำิุใจที่เรียสมาธิเรียปัญญาให้มากอย่านอนใจเรามามาเจี่ยวจิตรีปากจินพรเปิดจิตมานักว่ารู้ตนขนาดถามว่าในเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องนิทานแต่ทำนาฬิกาเป็นหลักธรรมชาติให้เปิดตาเปิดใจเลยคลยนั้นนันก็เหมือนกับเราแต่ทำติบกาวติดลาบตอกตาวให้เกิดผลประโยชน์กันไหน พระพุทธเจ้าไดสอนให้เรามาแบกทำรูแบบชื่อแบบตัวสื่อแห่งทางข้างหลายท้างนันแต่สอนให้พวกเราปรับพฤติกรรมตามหลักที่ท่านสอนไว้แล้วให้เกิดทางวิสีเห็นสีขึ้นมาในจิตใจของตนเองดางที่พระพกธจาแล่าวองค์ข้างหลายข้งตรงรู้ตรงเห็นมาแล้ว มันอยากให้พวกเราตักหลาเป็นน้อตแทกขระดาษถุงเร่าๆตัวเลือผลประโยชน์อะไรเอาแต่คำนวณตัวหามาปวดการรู้ว่าต่างๆทั้งทั้งชีวิตเป็นตัวความน้อยจจหัวใจมีไม่ใช่ทุกประสบของพระพุทธเจ้าปราผมจริงๆก็คือว่าขอให้ทำให้เกิดปฏิบัติทางที่นั่นในตรงสสอนไม่ได้แล้บนั่นเป็นการที่ถูกต้องตามหลักเขาว่าที่สอนให้คนทาให้คนรู้ ให้คนเข้าใจและทำมันแท้จริงซึ่งมืออยู่กับเราทุกคนทำว่าสมาธิเราอ่านในตำน า, านนี้เต็มไปหมดเราจำได้จังหวะสมาธิประเภทนั้นประเภทนีรรมานได้แต่ตัวเองไม่สามารถที่จะทราบสมาธินั้นคืออะไรภายในใจิตใจได้ไม่เคยสําผัสมาธิเลยใจ ไ, ไม่เคยสําผัสปัญญาไม่ว่าสมาธิขั้น ได้แต่พูดอเงาพูดเฉเฉยไม่เกิดประโยชน์นีมันแ่ทางทำของพระพุทธเจ้าปีพระองค์กระสงทรงกรสงอย่างนี้งกระสงให้เรารู้นั่นเองสอนให้รู้ให้เข้าใจไมจะสอนได้มาลูกมาทำมาบนพอเยเฉยโดไม่ทำหมูทุกนารปฏิบัติและไม่สนใจปฏิบัติให้รู้โลกจิงให้รู้โกธรมรู้โลปัญญาให้รู้โลูมิุพเพคุณพระองทางทางองค์ท่าน แต่เพราะยังนักปฏิบัติแล้วเป็นผู้ควรอยากยิ่งที่จะเป็นปฏิบัติาาการแตที่เดชภายในจิตใจของตนเราจะต้องิูกลงคนของเราในขณะที่จะทําดีว่ามีปัญญาน้อยมีสติน้อยมีอำนาจวาสนาน้อยเป็นคนอับคับให้เราต้องรู้ด้วยว่าขณะที่จะทําำทมดีทั้งหลายทําไมถึงเป็นคนจรง มาทำติดตัวว่าเป็นคนอครับเเวลาในชีวิตจะพูดจะทําอะไรในชีวิตจะข้อสูตรที่เลียกขึ้นมาทําไมไม่ทำดีถึงว่าศาสนาเขาต้องทำามีมากหรือมีน้อยจึงต้องทำลงไปอันนี้จะเป็นข้อสูตหรือจะเป็นข้อตัวนใดของเราอย่างอุบาย่างใจที่ทำนีเราในเวลาจะทําดีไม่อยากให้ทำดีนั่นคืออุบายที่ผของสิเลข้างหลัน ี่เศษศาสตร์ดารของโลกทั้งสามนี้มามาตอนพระพุทธเจา้าแต่แลพระองค์ก็เสด็จขึ้นาอุบัตขึ้นมาในโลกใครต้องยอมเท่านใครต้องเป็นลูกศิถ้าเป็นพระอย่าว่าลูกศิษยคนทุกติของศาตรารคาือโรกความโลคความโกรธความหลงลเป็นต้อนอ่างนี้ข้างมาธรรมชาตินี้แลมคมมาก เราจะยเอาวิชาภาษาอาศมามาสอนยังไงจะยัจบก็ใจที่จบก็ตามหรือจะยังจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมาจากที่ไหนก็ตามทียังมาเหล่านั้นโดนมากก็มาเป็นเครื่องมือของขีเรตเอตั้งสาซึ่งเป็นสาานโดยไม่ต้องสงสัยหากเราไม่คำนึถึงเหตุถึงผลถึงผลถึงทรรถึงทรรก็ถูกพระุทเจ้าจริจริงแล้ว เราจะได้เห็นภาวศักดิ์สิทธินี้เต็มิ่จะมาธิปัญญาเป็นต้นปรากฏขึ้นภายในใจของเรา เ, เป็นเครื่องกรหาัาจสิงที่เป็นสารประจานา อ, องเอศแห่งวัสสาสนี้ออกจากใจได้เลยอาลามน้ อ, าานอเข้ามากเพืนอปฏิบัติตาทางที่พระองค์ท่านขอนจะยากลำบากเพียงไรเราเป็นศิษฐากรตท้าวเต้สพูดใเ้า โดยพระงคกระเด็ดกระหยาดอะไรมี días, t t ือทำทุกย่าธรรบาเกี่ยงอะเรเลาไห้ยามอย่างนั้นแล้วก็ในประสบพบเห็นความจืิที่พระงทัานสอนไม่โดดเดี่ยเพราะธรรมะแต่บุญสิทพัฒนธรรมัานไม่ได้มองคัดธรรมะมันจะสอนแบบข้ามารสอนแบบสมเด็เข้าพพุเจ้ามัจะศาสนาสมเด็จากให้ข้อผทุกสิ่งทุกการจึงเรียกว่าสวัสถาโตนตา ถ้าท so e. e. e. e. e. ou. e ํากราบพระองา์กรไม่ชอบแล้วทําไม่ชอบก็ชอบด้วยเท่อบด้วยผลผู้ประพฤติปฏิบัติตามจะต้อรู้ซึ่งเห็นดังที่ท่านสอนไว้โดยไม่ท่องสงสัยตามหลับทําท่านสอนได้แน้ว่าสันทิปสุโกผู้ปฏิบัติเชินช้ามีจุิกำตามหลักทางตามหลักธรรมทุกเส้ามแล้วสันทิปุโกจะตึงเป็นผู้รู้เองเเหงเองโดยประจักษ์กับใจของตัวเอง เพราะกเลสมีอยู่กับใจผีสมาธิปัญญาก็มีอยู่กับใจมาผลนิทานก็มีอยู่กับใจไม่ว่าค่าพุกธการไม่ว่าท่านี้หรือไม่ว่าท่าไหนๆกิเลสไม่เคยโยกได้ายบ้านเรือนสถานที่อยู่จะหัวใจของผัของบุคคลเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นทำมากคืจะโยกได้าไปที่อื่นไม่ได้ ถ้้พวกต้องตามธรรมชาต้องอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันถ้าเราไปโยกได้ไปเสียหรือตามตวามจำของตนเข้าใจว่าเป็นรับถูกทางไปเสียเพราะความจำเพียงเท่านั้นนั้นไม่ไม่ใช่การถูถ้าเราย้อนเข้ามาว่าศีสมาธิปัญญาต้องมีอยู่ในจุดแห่งเดียวกันแล้วจะคันคนมายาของเด็ในวันในวันหนึ่งแน่นอน จิตจงวามุ่งมั่นเจริญนาถยิ่ม ข, ของพรตลบทุกขละราอสปบัติจะพ้นในสารวิชิตสติตปัญญาสัะทาความเหียของเราไปไมได้ท้าพุทธเจ้าเราทราบแล้วในประวัติเป็นอย่างไรบ้างถ้าช่างแบกถุกเาเขาตขีหรือไม่ทราพุทธเจ้าเป็นผู้อวดแด่หรือไม่ศาสนาภูเกตของเราไม่ใช่ผู้อวดแอร่ทำกฎาำตนต้องมไม่มีใครตู้ขาดตาไ ม, ม่ใครเสมงเหมือน พูดถึงนพามไมเกี่ยวกานการทำทุกทามลำบากนะครับแถวอาโอมกันทก็มีใครแซงข้ามหรือแซงหน้าของพระรรก็จะเจ้าไปได้ทำได้เยอะขนาดนข้อข้อมีใครเกินพระพุทธเจ้าที่ศาสนาของเราท่านเป็นอย่างนั้นและธรรมะก็สอนมาเรืร่องความสัตย์คางคือตรงรู้ตรงเห็นประจกักษ์ทัไทและนามทางนั้น พอความรนั้นออกมาสอนพวกเราเพื่อให้ความจริมีห็นจริงมีอยู่ในใจของประเด็นเช่นเดียวกับข้าพเจทำให้ความจึงไม่ปรากฏว่าเป็นการเดือดาจึงจะให้นามว่าการิบกไม่มีการให้มีสถานที่ทอพิเศษตัวย่อมมีจิตใจของเราก็มีการสถานที่คิเมื่อไรเป็นี่เดเมื่นั้นข้าทิดทำพิเ คิดทางโลกเป็นโลกวางยันต์ทำิดทางโตกเป็นโตกึญยังลุกคิดความหลงเป็นความหลงตลอดตัดตลอดกันไม่เลือกไม่มีการทําไม่มีความภาคยองก่อเป็นมาได้ตลอดสายเช่นเดียวต่อไปได้รู้อินทร์เราไมให้ยาเอาเครื่องมือมือปัญญารรมดีทั้งหลายรวมไปแล้วเรียกว่าศีริสมาธิปัญญาเข้าปิดตามเข้าปากปากหานแก้ไขแล้ว เราจะไม่เห็นดวงใจดวงก็เกิดที่ถูกไฟที่เดือดศาสนาคุ้มดูนหนูออมาเป็นสลักอัศจัรย์เลยในชาะหรือชาตใดก็ตามเราจะไปคอยนั่งเวลาเราจะไปคอยว่าศาสนาที่ได ห, หนซึ่งเป็นโยมเั็นนื้นทางเราข้าหมาเหานั้นมาช่วยธรมุษบงู่มาช่วยแก้ที่เดือดให้เราพระมุขเจ้าไม่มีใครเป็นผู้แก้ขี้เดือดให้พระองค์ต้องคุ้มเทม ถ้ากำลังปีชาทำทำสามารถทำตลาดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างโลเพื่อต่อท้อนทิเลตโดยพระโอเดียมเท่านั้นแล้วทั้งหลายก็เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าทุกพระโอเป็นเดตเลวผู้ถีอบอกแนวทางการที่จะทําหน้าที่ของคนนั้นเป็นหน้าที่ของเราแต่ละคนนะครัหรือเป็นหน้าที่ของเขาแต่ละคนที่จะนําเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าทรงประทานให้แนั้นเข้าสู่สงครามโลกทิเลทั้งหลาย ให้ขาดคเนนออกการสิดใจโดยลำดับๆจนปรากฏเป็นใจที่บริสุทธิ์หีือมดพุโธขึ้นมาที่ใจแต่ละโดดๆกลายเป็นสาวะขันขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้กล้าฟังทุกวันนี้ว่าทุกครั้งก็แลังคัดถามเข้ามาก็แลังคัดถามทั้งครั้งก็แลังคัดถามหนังทุกครั้งก็แลอวคัดถาม ที่เรานับถือการวาดยิงอาขเป็นข่าวาอยู่ทุกวันนี้เป็นฐานะประเภทใดเป็นฐานะที่เล้วไหลหล่อพวงอย่างนั้นหรือเราต้องทำให้เลี้วไหลหลออพวงตนเองอยู่ทั้เหมอหากเห็นว่าฐานะเองซึ่งยืนยันว่าออกมาจากของสูรงล้วนเป็นธรรมะที่กระโดดจริแล้วเราทําไมยังไม่เสร็จสิ้นตัวของเราพยายามปบปรุง ดัดแปลงตัวเราให้มีคุณภาพซึ่นจะเป็นน้องๆกับไม่ทักจิตใจเพื่อจะได้ก้าวตามพระพุทธเจ้าทำไม่ทำในวันใดต้องทำในวันไหนเมื่อเดินราทางที่พระพุทธเจ้าตรงประการไม้ได้เพราะสาหรับทำไม่ขึ้นอยู่กับคาถานที่เวลาใดๆเลยเช่นเดียวกับกิเลสไม่ขึ้นอยู่กับคาถาที่การเวลาเราติดทางขึ้นะไรใจเมื่อใดเป็นทางขึ้นมาเมื่อนั้นคําว่าสมาธิ เราทาบแต่ตารางน้ำหนักกำลังว่าทวามสงบหรือความตั้งมั่นของใจ้าความเคลื่อนตั้งมั่นสมาีิคือความสงบใจจะหยุดเลี่ยงไปไม่พ้นทํางท้ายนี้คือความหล่อแหลกเต็เครื่องทาลายจิตใจซึ่งไม่มีสมาธิอยู่แล้วให้เลร้ยวไหลไปโดยล้ำหนับอุ่นหนต่อมาก็ทำให้เกิดความยิดหนางใจนั่งนอนยังลี้ลิตนาทีอาินาทีก็ เข้าเทียวเขาว่านั่งท่นตุีตั้งเดือนเวลาเรานั่งตุลีถึงห้าทำอะไรต่ออะไรไม่มีเหตุที่ผลไม่เกิดผลเกิดได้ดุจและเกิดความเจ้หายแา่ตนนั้นนั่งอยู่ตั้งโงก็มีความเด็กเหน่อยหิอโหยนั่งเพื่อมเพเพลินเวลาเราจะมานั่งภาวนาเพียงยี่สินาทีสามสิบนาทีตัวจะจะตายตัวจะแต่จะไม่มีฝันอาเขาอก นี่หละเรื่องของที่เด็กหลอกคนหลอกอีกอย่างนี้พอจะเริ่มนั่งภาวนานาฬิกาที่ไหนมอเห็นโมไม่ว่าจะมาที่ไหนใจต้องคิดถึงนาฬิกาก็ต้องไปนั่งทงานที่นี่ถึงเวลานัดเดียวเราจะบอกและนาที่ทางงาน ม, มากน้อยเป็นไงแต่ก่อนไม่คำหนึ่งพอจะเริ่มคิดตรร่อารลาเข้าไปตนนั้นอแล้วทํา ง, งานทุ่นี้จะต้องทํางานนั้นจะต้องทํางานนี้แล้วุ้ภาพใไปดีเจ็พร้องพวกแบบน เอาไว้ว่าถ้าทั้งไม่พอดีข้างนัําเขามากแล้วต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้กุเลากรอบลงไปเรื่อยจนหลับสนิทนอกจากนั้นแล้วมันล้มลงที่หมอนเอาหมอนเป็นสถานที่อยู่หมอนเป็นนักเป็นฝนเป็นนิทานตื่นขึ้นมากดให้กุเลาะไม่เปิดประโยชน์อะไรโดยไม่กล้าอะไรเป็นเครื่องหลอกเราให้ล้มจนลงให้ล้มจนลงนั้นกระนั่งถึงไม่รู้สุขตัวเป็นมาโดยลำหนักลำหนักเรา นโทษของทิเดียดแล้วเราได้เห็นคุณค่าของทางหน้าที่ไหนเมื่อเราเห็นโทษของทิเดียดทเดียดกาา็ถือเป็นค่าติดกันก็มีทางต่อสู้กันเมื่อมีทางต่อสู้กันก็ต้องมีทางแยทางชนะพอทิเดียดผลกันวมีไม่มีทางต่อสู้เลยมีแจะการหมอบลากโดยลำตักหนักแล้วหาทางตอกไม่ได้มอกลากไปทิเียดก็ตีลงไปตีลงไปจนเทอไม่ขึ้นล แล้วลอยไปตามอืน่ะกล า, าเป็นคนหมดคุณค่าไปทั้งทั้งที่มันทั้งคนไ ม, ม, ม่มีคุณค่าเต็มตัวใครกินเส็จกรองเาไปกินหมดไม่มีเหลือหาคุณทั้งมันนักคุณทั้งชาติหนึ่งาตไม่สมควรแต่เราเป็นชาวพุทธที่พระพุทธเจ้าองค์ฉลาดสอนโลกให้มีความฉลาดเลยคําว่าสมาธิก็คือความแั้งมั่ของใจทวามสงบอของใจ เราจะทำให้เป็นสมาธิต้องตั้งมั่นในความเพียรตั้งมั่นในสติตั้งมั่นในความรู้เราจะรู้ให้รู้กับอะไรจ ะ, า ท, าจะ ท, รทัทานาคติประจิตก็ตามจะทัศพุโธตามคำว่าคำวุธใดก็ตามที่เห็นว่าผูกกับสให้เราเอาที่ความจความรู้สึกความ็กใจอวามตกนั่ง น, นั้น เรียกว่ามีความตั้งมั่นในการกระทำเมื่อความตั้งมันในการกระทำมอยู่ไม่ขาดม่าขาดตอนผลคือความสงบเย็นใจหรือคือความตมั่นของใจเราเจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนแยกพากันไม่ได้เพราะเหตุกับผลเป็นของตู้กันมาเลยไม่ใช่จะเป็นของแยกเป็นของแสกจากการได้มีเป็นเหตุเป็นผลในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนว้อย่างนี้ ถ้าเราทําแียนิดเดียวแต่ผลอยากได้ก่อปวนเต็มตะปูมันก็ไม่ได้มันติดกันคือแย่งกันกับเราต้องทำความพยายามคำว่าสมาธิจบคือทางเข้าใจว่าเราไม่เคยจงบเพราะไม่ขากดเห็นสมาธิไม่ขากดเป็นความฝึกคำว่าสมาธิคือความตั้งมั่มมมมนนั้น ท่านพูดว้เป็นแนอหนึ่งทางอากาศก็คือใจสงบนั่นแหละควาสงบลงมากน้อยความสุขก็ปรากขึ้นมาโดยลำดับต่างๆกับความสงบพอทีจิตใจไม่สงบก็เพราะจิตใจก็หนาแดมาร้อนแต่ปลูกตูพูดไล่สาุณทั้งหลายให้เด็ดจิตแล้วก็ไปปกปุมให้หอให้จิตใจตรงนั้นขึ้นมีคุณค่านั้นกายเป็นของบุ ถ้ามันกระทำไปเสียโดยไม่รู้ตึกตัวนี่เป็นอย่างนี้เขาามาสมาธิเราอยากฆ่าหมายคนนั้นภาวนาจิตเป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนี้เราอยากนำมัมาเป็นอารมณ์ของตนให้จิตของเราเป็นแบบนั้นแบบนั้นเพราะหลักผวิถีต่างกันทาทงให้ดูในหลักปัจจุบันที่เรากําลังทําอยู่ เช่นกำหนดอนาพามรตริติเป็นต้องให้กำหนดดูลงเข้าลงออกดูอยู <mã> ่โดยข้ามเสมอแต่ไม่ต้องเตะตัวจนเกินไปฟังคาดจนเกินไปทำคำนึงไว้เฉพาะลงนั้นเท่านั้นเราไม่ต้องไปคาผลว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรหรือจะมีความรู้ความเห็นความฉลาดหรือมีท่าอะไรต่างๆเราไม่ต้องไปคาดเป็นหมายอันนั้นเป็นผลที่พลอยได้จะเกิดขึ้นจากหลักของสมาธิที่เราทำอยู่แล้วเท่านั้น โดยมากลักของภานาต้มีอนาพาฤติที่ถูกต้องที่ถูกกำหนดโดยวิสัยของผู้ปฏิบัติเป็นส่วนมากให้ ท, ที่กับทาบาํทาบุญใดให้ฝืนทำบุญนั้นเป็นทั้งทาเราอยากฝืนคนนั้นคนนี้คือความเป็นได้ผลนมาแล้วเพราะทวาเป็นคําขคนนั้นลึกไปกรรมทางคนนีน้มาเป็นอารมณ์ และทําการปิดผังในิสัยขั้งคนอย่างนี้เป็นไปไม่ได้เห็นเขาปรากฏอย่างนั้นเราอยากให้ปรากดขึ้นมาแล้วทําแบบเขาซึ้นขับต่อวิสัยข้งคนก็ไม่เกิดผลเกิอดอมประโยชน์คำว่าสมาธิคือความสงบความสงบนั้นแหนเป็นบอกโดอยทางาสุกษ์กใจที่ไม่มีอะไรจะสมมุติว่าทุกต่างๆเราเคยได้ผ่านพบมาเรื่องการทุกคุมปฏิเสธทั้ไม่ได้ แต่จุดใจนี้เป็นสิ่งที่หานะจะพบเป็นมารายถ้าไราพบจุดใจแล้วเป็นเหตุจะให้เราถอนถอนความสุขสมาธิอื่นที่เราเคยได้ประสบหรือผ่านมานั้นเข้ามาสู่จุดนี้คือเกิดความสุขสนบสนใจในสุดแห่งความสงบของจิตอยากให้มีความสงบมากกว่านี้และนานกว่าฝันขึ้นเป็นลำดับ กเ็เป็ น, นความ ส, ส, สมบูรณ์ที่แท้กระดับในชีวิตของเราที่ผ่านมาให้เกิดสมรเพื่งจะมาปรากฏในขณะที่จิสมบูรณ์ปราศจากอาซึ่งสอตัวนี้เท่านั้นมีทรรมเนียกว่าสมาธิแต่สมาธินี้ก็มีหลายวิสัายวิสยัยภาวนาเข้าไปไม่ดีนาทีก็ปรากฏรวมลงอย่างหนึ่ อย่างนั้นก็ลาลาต้องค่อยค่อยรวมเข้าไปรวมเข้าไปคําว่ารวมนั้นหมายถึงรวมก็แต่แรงความคิดต่างๆคนเข้าไปจุดเดียวจุดความรู้นันรวมรวมกแตเข้าไปแต่เข้ไปรวมเข้าไปจนกรทังถึงเป็นองค์แห่งความร้อนร้อนนี่ท่านเรียกว่าจุดเป็นเอกับตามีอเอาอันเดียวคือรู้ควานั้นไม่เป็นสองกับอันใดไม่เป็นสองกับอารมณ์อันใด ท่นออานเรียวกว่าเอกะคาลหรือจะเริยกจิตเป็นสมาธิจิตเป็นหนึ่งก็ถูกนี้เป็นผลของทางคติปัตเราจะไม่ใช่อย่างในชั่ววูปเลยก็ต า, ามเมื่อจิตของเราสบางบความสงบนั้นแหลที่เกิดขึ้นกับเราเองและเราเป็นผู้มีความสงบนั้งเฉยเองแพ้ชื่อผู้กระจัดแจ่แจ้งยิ่งกว่าเราเรียนตำนักธรรมดา มาเป็นไหนถ้าจะเรียกว่าปัดจับตเวหรือปัดจับตังรือัิติโกรู้เองอย่าเรียกว่าสมาธิให้เห็นในใจเรียถึงหายตึงไสเห็นในแบบแผนสำลักตำลาไม่หายถงใสอานไปทไหก็ไม่พ้นจตางถงใสย่งอานมากเรียนมากเท่าไห่ย่งถึงใสเรื่องพักเรื่องกลัเรื่องทําหายใจมากมาขาก็เพราะทางหลายไม่อยู่ข้างนอก นั้นเป็นจุดยัชื่อของทาสมาธิปัญญาปิมุตมะสุภาเป็นชื่อของทางาทาข้างหน้ออทาทางั้แท้คือปรากฏุดับใจนี้ตัวเดียวเพราะฉะนั้นต้องอบรมหรือดักแด้จุดแสให้เป็นไปตามช้องทามให้เป็นตามแนวทาผู้ช่างอนไว้ในกำลัให้สอนี่เข้ามาในตัวของเรา ชาติสิรขากระลาสิรุกขามานังสิรุังทํอุณิข้างลางไว้นะอะไรราเป็นชาติสิรุษขาเขาเกิดเป็นผู้ทั้งแก่เป็นผู้ทั้ตาเป็นผ้นังือไม่แค่ทาเป็นผู้แก่ผู้ตายเป็นผู้เป็นศิษย์แต่เราเองเป็นผู้เกิดแก่นตายเป็นสิษย์ขั้นตอนเข้ามาที่พิจารณาเรื่องความตายเอาผู้จะพิจารณามาณนิวสิให้ันเห็นความตายอยู่เรื่อยๆก่อนึ่งมีทาให้ประมา มีความตึงเนื้อตึงตัวรู้สึกเนือรู้สตัวอเตขงเราก็อดหาที่ยึดทีหนี่ยงไมเผอเิแดงโลงลมีหลหลสมัยไม่ตื่นเราทานยั้างชังตัวได้ไม่ออเาิมีหลักเป็นที่ยึดแล้วเมื่อใจลพาพิจารณาอย่างน้ก็เรียกว่ามาธิ นี่คำว่าปัญญาปัญญาต้องมีหลายขั้นเช่นเดียวกับสมาธิแต่ไม่ใช่เป็นขั้นเหมือนขั้นมันใดตัวท่าไว้ซึ่งวนยาแล้วค่ยเกี่ยวโยงเข้าไปถึงความละเนี่ยเท่านั้นคือเชื่อมโยงกันไปได้ด้วยไม่ใช่จะเป็นขั้นเป็นขั้นเนขั้นมันไดเราขึ้นบางเือนเงิีเป็นสีหาบางขั้นกว่าจะไม่เข้าใจเพราะว่าขั้น เติโขึ้นมาขั้นนี้เป็นความขคาดหมายนั่นเป็นความผิดสมาธิที่ว่าอย่างยากอากการอย่างละเอียดนั้นต้องมีความสุกเนื่องก็เป็นลำดับลำดับเช่นเดียวกับเราตั้งแต่กันเด็กค่อยเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆจากคนตรงเดียวจนกรทั่งถเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานี่คําว่าสมาธิความเศร้าเช่นเดียวกันเศร้าละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปความถุกอะเอียดดื้อเข้าไปเป็นลํำดับ ปัญญาคือความคิดความคิดนาอย่าเอาใจในความคิดในความคิรณาเพื่อหาคำตอบความตายอยู่กับเราคิรณาเรื่องความตายเห็นทั้งภายในอกภายในให้เห็นทุกอาการว่าเป็นวิบากณาธรรมเป็นความแปรสภาพเป็นความแสรสลายเป็นความตายได้โดยสัตว์เราอยากได้สมาธในการพิจรณาอย่างนี้สุขภาพเรียกปัญญา ปัญญานี่มีหลายประเภทปัญญาพิจารณาเรื่องภาพงานเรื่องภายนอกภายในเอามาเทียบกันได้ทุกสัวทุกนเข้าในวงนิยามทุกฐานนาเป็นใช่ได้การพิจารณาอย่างรเป็นไปเพื่อความขอดขอที่เดชทำมมัวภในจิตใจเรียว่าปัญญาเป็นทางเดินของทางอำนาจขึ้นเรืองัตว์ตดางปัญญาพิจารณาเรื่องเมตนาปัญญาทางถามหนึ่งอย่างอันตนามาทำ ความแปรสภาพเช่นเดียวกันกับสู้กรรทำตัวร่งางกายมันก็เป็นทางการพิจารณาหลายครั้งได้ผลพิจารณาจนรู้แจ้งเห็นชิงนแล้วยอกปลดวางได้ด้วยกันเท่านั้นรูปกายแม้จะมีอยู่กับร่างกายก็ตามเมื่อพิจารณารู้ ท, ทัดตามจริงว่าตายนี้เป็นส่วนหนึ่งทางอากาศได้ได้เป็นหนึ่งทางอาจาศกายด้วยปัญญาเลยครับไม่ต้องบอกว่าให้ถอนอุปทานจะมีความหนาแน่นมั่นคงเสมอ ถูกปัญญาิม่รื้อถอนขึ้นมาตรงตัวเป็นตลาดได้โดยไม่วิยไปซือสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นตนและตนให้ก่อความทุกข์ทางลบากแต่ตนก่อความโกรธขึ้นอยู่ตลอเวทนาสัญญาทัศน์ฐานมียาก็เป็นแต่ละอย่างอย่างเช่นเดียวกันกับทูกข์พาที่เหียวารุปขังมีความเกิดทำับเป็นประจำตรงอยู่ตลอดมาทิกขึ้นมาอะไรีเหียววารัตฐา ทเท่าไรก็ดับเท่านั้นอะไรตามกฏขึน้นมาก็ต้องดับนู้นภาพเกิดต้องดับที่เรียกว่าเกิดถัดไปก็ได้ถ้าเกิดต้องดบับถ้าเกิดต้อมดับนี่เป็นคู่เทียงกันหรือเป็นลาของกันได้เราพิจารณาอย่างนี้โลกอันนี้มีเท่านั้นเราหลงทุกวันนี้ไม่ได้หลงอะไรหลงเพราะความคิดของเราเราต่างเมื่อตาความคิดพให้รู้แจ้งได้ทีในสิ่งที่ติดในขอบปริจิตทหารนั้น ให้ทราบชัดเจนช้าความคิดของตนก็ทราว่าเป็นเสื่อหลอกลวงจรงไปท oui, ัตามนั้นหมายถึงนั้นว่าเป็นอย่างนั้นหร้เป็นยานี้แล้วไปขอบใคติดให้เกิดความวนสะบายขดเสดหรือให้เกิดอุปทานความคึดมั่นหรมั่นเกิดภูเขาทั้งลูกขึ้นมาภายในใจทับติดใจจนหาทางออกไม่ได้นี่ก็เพรความคิดของเราหลอกเราเมื่อวันศุกรน ด้วยปัญญาย่อมจะเห็นแจ้งชัดเจนในสิงนี้แล้วถอนตัวออกมาไม่ไปยึดไปถือไม่ไปเกไปเกี่ยวใจก็มีกำลังขึ้นมาเป็ตัวของตัวขึ้นโดยลำดับลำดับโดยมาอาขึ้นเป็นเหนือนั้นมากเป็นตนเป็นของตนมากเป็นเราเป็นเราเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาซึ่งเกาะตุ้ดให้เราไม่นอนเพื่จะมาจนเข้าใจพระพุทธเจ้าท่าน ตัวใช้ปัญญาทำไมพระองค์ท่านเข้าใจสาวทำไมท่านเข้าใจทำไมท่านขอท่านขอมิเดชทั้งหลายได้ด้วยปัญญาปัญญาของท่านกับปัญญาของเราก็เป็นปัญญาเช่นเดียวกันกิเลสของท่านกับกิเลสของเราก็เป็นกิเลสประเภทเดียวกันปลุกมัดจิตใจให้รับความเหลือดร้มาเช่นเดียวกันสติปัญญาของเราปลุกพลุนลงลงที่กิเลสที่มีอยู่นี้มันจะคงนี่มีความหนาแน่นสถกษณมายนก้อนบนสติัญานี้ไปไม่ได้ หาอนุอนุหมดี่เดตัวสติปัญญาแต่ที่เดกไว้ตัวคำไม่กัวคำคอแอบไม่กัวคำหลอกหลเขาชอบผู้สุขแต่กัวคำเอาจริอาจังกัวคำมีที่เจนาตัวคำมเหตยอุ่มขมงงง่ายๆกลัวสติปัญญาพาความเพียนานี่เป็นการ วิธีการรื้อถอนตนออกจากทุกข์กไม่มีอยู่ที่ไหนมีอยู่ที่ธาตุที่ขังมีอยู่ที่จิตใจของเราเท่านั er. ้นสามโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเป็นทุกข์นอกจากขังกัจิตใจของเราแต่รับคนรับตรงร้ตัดแต่ละระดับมีความทุกข์อยเป็นจุเดียว่นั้นจุดขัานจุกเราคนหนึ่งคนหนึ่งมีความทุกข์ูประจำผู้เล่าทุกคนการถอนความทุกข์การอนที่เหลืที่มีประจาอยู่ในตัวของ คนเขาตแต่คนคนจึงต um <young men. S 1> ้องขออ้นรให้ถูกติดทหมัดคันขึ้นตรงไหนให้เกาที่ตรงนั้นยาใบชาที่อยู่ให้ตลอกเปิดแล้วไม่หายนา่ให้วิรามไปดรวยตกลหมดทั้งนื้าทั้งตัวนะเกาไปที่นีปคนลงไปที่ที่เดอดถูที่เดืดูที่ใจ ทำโลกโลกตึ้งสึ้งกายคนตายแล้วมีความโลภเอาไปจิ้งที่ไหนก็ไม่อะไรใส่โสไม่เสียดายร่างกายของคนนั้นสมบัติพระคาถาเป็นทองมีมากมน้อยไม่เสียดายมันเสียดายเรืคค่องแต่คนที่เป็นมโนถีเนี่ยอะไรก็จะไดอะไรก็จะได้เอิดพอตื่นขึ้นมาก็โลกโลกความยั่งยำหลังไปนิ่จะพูนเกิดขึ้นมาก็โ ล, โ ล, ลกโล โลกไมหยุดไม่หอไม่ปึ้งความมีพลตั้งแต่กันเกิดมาจนถึชั้สงมันตาแล้วยังไมเห็นโทษในความโลกตายไ้วยความโลกกอเป็นทุกข์ความเดืรอนมากมายทั้งปวก็เหมือนกันค้อยแล่กระโายต่งลเป็นพื้นของจิใจใจตึงอยู่ได้เพื่อความโลกความโสกความหงจึงหาทางสบายให้ได้เพราะงเหล่านี้เป็นไฟอามโลก็เป็นไฟความปวดก็็ ก็เป็นไปเรากระพร่องไปให้เขาโดยทั้งวันทั้งคเขาจะนับความสุขมาอย่างไรได้หรือจะว่าความสบายจะมีอำนาจการนาเขาจะเปิดฐานให้มีชื่อมีเสียงมีอำนาจมีวาสนาถ้าเท่ารก็ตามก็ตัดกับว่าการเปฐานตั้งยอตั้งรอตั้งมโยมส่วผู้เรียนจะไม่ฟังใครจะมีหัวใจคนผู้โลกมากโตื่นตัวตั้งหักนัวให้รับความหลอกร้ออยู่ตลอดเวลา เราเห็นโทษที่ถ้าจะเห็นให้เหานที่ตรงนี้จ้าจะมีทางกอดขอนธรรมะนี้ออกได้กายจะพุ่งอิรฉาขึ้นมากายที่จะทำปุจจของตนให้เป็นอิจฉาก็อาศัยคิปัญญาทามเพียรมีทางขยันใชแฉมมีทางถ้าเป็นอยู่โดยอดเสมอยาโลละตนให้จงลงไป ราพคนเป็นผู้รับสิทธิภาพคนดูโดยยังกันหนักแงะหน้ากอตารผูพพบเราต้องเป็นผู้รับโดยไม่ใครมาแบกรับแบบผู้ให้เราเราควรจดให้า ย, ยางรักษาตรมนหรือทํเงาเท่าสิทธ้ภาพคนเลยเดี๋ยวตั้งแต่ะปักนี้ว่าคี่ไดควรสิงใดไม่ควรและ้ากลาบากขนาดไหนก็ายยาใยยห้พยายามแก้ไขและเตรียมเรยมงบทางสามากของเรา ถ้าปลูกทำทั้งนั้นจะไม่ต้องปัญหาที่ไหนจะเกิดขึ้นจะการจะทำดีของเรานี่แหละเพราะจะยิ่งการทำใจให้บริสุทธิ์เสียตอ้แต่แบนี้นะอนาคตจะไม่มีความหมายอะไรเพื่อมำอะไแล้วปัจจุบันก็รู้เท่าเสียทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่มีอนไรจะเป็นมาหาต่อใจที่มีมุกนห้ทำเพราะอำนาจศิสปปัญญาที่เราสะสมมาจนพอโตแล้ว ขอถอนสิเดหรือข้ามี่เดก่จากใจไปเสยหมดทางโลกที่เป็นไปกองทางปัวเป็นไปกองทางหลวงเป็นไปกองพุ่มลงไปจมิงจมยากไปเสีหมดเหลือแต่ใจดวงเมื่อถูกคนม้วนนั่นแน่ข้างเนียปวะพุ่งเพื่อเราจะหาประพุ่งเกิดมาจากที่ไหนถ้าไม่ได้มาจากดวงใจที่ของพุทธเจ้าทรงแสดงให้ทราบอยู่สมอมา เราจะได้ที่ไหนถ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เกิดขึ้นมาเพราะใจเจ้าของท่านนั้นเข้ามาเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไม่ปรากว่าสิ่งใดที่จะเป็นของสมุนเหมือนจิตวงนั้นววาวิเศษเหรือนจิตดวงนั้นไม่มีทำกลับไ้เป็นอันเดียวหนักสาระคือพระสง์มพระปฏิบัติตามก็ไปรู้ทางดวงนั้นทางวงที่บริสิกับใจนั้น พโธัโม th kind of ังโจิวะเป็นธาแค่เดียวกันขึ้นที่แต่จุเดียวของุบเสีมุใครดูที่ไหนก็สลายนั่งดูก็สบายเดินสบายเที่ยวโทั้งสีสบายทั้งนั้นไม่มีอะไรมารบกวนเพราะที่เดียเท่านั้นเองเป็นเหตุให้เราได้รับความทุขยากความลำบากอยู่ตลอดมาไม่ใช่สิ่งใดทั้หมดเมื่อที่เรศ หมดไปจากใจเท่าการกำลังเท่ากัรความอ่อนสุดโคตรขอกแล้วไม่มีอนไนจะเป็นท่าสุดสำหรัากน้าจหีเกิดหรือไม่เกิดข้าจะกับใจดวงโดยสุดนี้คนนั้นจึงว่าอนาจโคตรไม่ม네ีความหมายถ้าใจดวงโดยสุดแล้วเท่านั้นนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีนิพพานก็ดีไม่คิดไม่ฆ่าไม่ทั้งทันไม่เี้ยเรล่องเวา ทอดธรรมชาติทั้งหมดมีความคุมอยู่กับใจนักปุตตะเป็นสอนลงที่ใจการาปฏิบัติที่ใจหลังวิจิปูจะไม่ตาสบตึ้งที่ไหนตาตกตึ้ที่อจเอาคืนความดังด้วยถิงนสมาธิปัญญาตามอาที่กุทติเจ้าตรงอยั่งสอนไว้นี่เป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดและท้าวจารของพระปุตตะเป็นท้าวจาที่จับสิมิเตศแล่นยามมาทั้งแถวตัดกัน อรอโลกสอนดลวามวิธีเห็นสมเพราะพระองท่านเป็นผุ้บรสุเป็นผู้รู้อิสไม่เคยเหลอกลวจั ด, โ, ดโลกให้เสียวหลให้ตกหลังยุ่ยมาดูสมบัติเรียก่าตรวัดตัวเขาประดามถ้าทำทั้นกลับไว้ก้าวแตะเราทำอย่างไรก็จะครอบทางทำของท่านเมื่อเราอบทำหลาของท่านแล้วทาที่คอบแตเราครอบกิขึ้นเราก็ทำอะไรทานั้นต่นนนนเป็นสมบัติของเราโดยสมบู การแสดงคำก็เห so so so ็นมากทุกควรเสียเวลาเพราะวันนี้แน่แสดงดึกมากโกนไปเนื่องจากทางตรวจมีมาเรื่อยเจื่อยจนั้งห่งขออานาจแห่งคุณเติบสีรัตนชัใจึงคุ้มรองรักษาขั้งทั้งหลายและให้ดำเนินตนไปด้วยความสะดวกสบานในวารสาแห่งคำนี้ก็จะท้กควรเสียเวลา อย่างต้องอย่าเอาวารีมาอุระเพริเพริากระวะเลวะสิโตนันเกานังะิิตังปัดตั้ตุังมเมวะมิจัตุจัตเจมูเรนตุะจัโนรโานโติ ระกตัวยาัพบุญโยวิราชสุขอพารโหวินาศุภมาเตวัตมันตรายุติวิสาหโอควาสกุวาณัสิชาหิจังมุนาปัญโยตตาโรธรรมวัคานิสอิสวันเนอาตตาน หนึ่งสองสาห้าหกเจ็ดแปดเก้า่าได้ยินเสียงอะไรสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ให้นถรกจังึได้ไหมแข่ันดาวน์ประวัติการงอนปฏิวัติทางพละภาษาการจังหวมั่นได้ไหมให้ติดต่อพรคขับมืกู้เนี่ย้ะาจารกเขียนอยงทั้งสเล่นน่ะประวัติกาังนี่ปฏิวัางขับวัวก็เียก็องนี้ลยหลงาวัวองนี้เล ก็มปักนะคะปักปัอว่าทาไทางทงนอนหูกเข้าัดละทนี้ไม่เคยกินอ่ะไม่เคยเคยปรการใหญ่มากเลยบนน หกข้งแปดข้งแล้วก็คมเียมาสามลูกคุขับโม่แล้วคุณอาจารย์ขอวยน่ะคุปดวยครับไปไปจะงงวยอ่ะจังงงงวยอ๋อไปกันที่เดที่แปไปแต่ร้นนอ เราคนเราก็แบบตัว